ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินแล้วนะครับใช้ได้นะครับโอเคพร้อมนะี่ยนะมีอยู่สีคนตอนนี้ครับและนักศึกทุานตอนนี้ใช้พีซมันก็เลยมองเห็นจอใหญ่แล้วเห็นภาพได้ทุกคนเันก็ดีเดี๋ยวต้องให้มันฟูลสกรีนก่อนอเดี๋ยวนะฮะตอนตอนนี้กำลัง เพิ่โพสไปแล้วใช่ไหมครับผมโพสแล้วฮะเ่ี้เราเราคลิกจากทางไลน์เข้ามาไม่ได้ผ่านทางอ๋อฮะไม่ได้ผ่านจากเ a c e b o ก k เลยต้องยืดนั่งต้องยืดคอหน่อยเพราะก้องมันสูงฮะตั <laughs> หน่อยมันถึงเนี้ยถ้านั่งแบบตัวงอมันก็อย่างนี้ดีบังคับให้นั่งสูงสูงยังไงเหสบายดีนะสบายคี่เจ้าค่ะ ได้ยินชัดไหมชัด น, นะอมก็ชัดแต่เสียงตองนิดนึงเจ้าค่ะคงจะเป็นเรื่องของของเครื่องไมงคนฟุ phone, ้งรอยแคมโอเครอยแคอัอนนี้คนคงยังต้องอะไรหลายอย่างด้วยกันอยู่อ่าลาลารับเข้ามาเลยก็ได้คุณดาคุณผู้ ตอนนี้ร้อยร้อยแปสิบสามคนแล้วฮะในเฟซบุ๊กครับคุณธูว์นี่ไม่ต้องเขาไม่อยากจะเปิดภาพไม่เป็นไรคุณธูว์บินดาครับบินดานี่บินดาเลยครับน่าจะคนใหม่เปิดเปิดเปิ ด, เ ป, ด, เ, ปดเปิดหน้าเปิดหน้าจอได้เลยนะครับบินดายังต่ออยู่เสียงยังรัอ เครื่องเข า, าจจะช้ามั้งครับไมเลยายังไม่ได้ยินเสียงอะไรกําลั ง, งต่อยอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเพรากว่าจะเข้ามาได้คะคุณเบลพานุพงศ์สุดใจพาดมาแล้วแต่เสียงยังไม่มาครับอเดี๋ยวพานุพงศ์สุดใจไปไปไปวิดีโอไป ถ้าอยากจะพูดก็เปิดภาพเปิดจอภาพเปิดตัววิดีโอกล้องเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมโครโฟนคุณดายังไม่เปิดไมโครโฟนกดกดคลิปที่หน้าจอเลยฮะเดี๋ยวไมโครโฟนจะเปิดได้เองฮะคุณดายังต่อไม่ติดเลยครับยังต่อเข้ายังต่อเข้าไม่ได้ คนคเบลเสร็จแล้วอคุณชันดิการมนจากโรงพยาบาลนะแอะฮะแอบนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะง่าเปิด ไ, ไมค์ก็โฟนไหลเลยเปิดไมค์เถอ น, นะคุณชันดิการไมคสีแดงปิดทิ้งแล้ว เปิแล้วก็ปิดเอาใหม่เอาใหม่เปิดใหม่เสียงไม่มาแอปเปิดใหม่นแอปเปิดใหม่โอเคค่ะนักวิชาการนักอาจารย์โอเคค่ะผู้จารย์อค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะสาธุค่ะโอเคค่ะสบายค่ะยังโอเคค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะผู้จารย์โอเคพูดโทรไปเรื่อยๆนะทําใจให้สงบ ร่างกายไม่ไดของเราไม่ให่ตัวเราดูแลมันไปเหมือนหมอดูแลคนไข้เลยก็แล้วกันกราบข้ากับในเมตตาสาธุครับอาจารย์อด้ย่าติดตามฟังไปได้เลยนะค่ะคุณเบลเดีย๋ยวเราจะวันที่ไม่เปิดา้แเราจะให้ไปอยู่ห้องหลังดีไหมซ่อนไท้ายนอนก่อนท้ายไปเลย โ okay. อเคมาแล้วคุณเอกคุณเอกก่อนอ่าหายไปแล้วคุณอาคุณเบลเปิดไมโครโฟนก่อนตอนนี้มันสีแดงอยู่อ <Okay. S 1> อเคยู่ที่ไหนคุณเบลเบวอยู่ที่ไหนพูดได้เลยดังไหมครับดังแล้วอยู่ที่ไหน อยู่พิษโลกครับอยู่พิษณุโลกครับพิซิโโลกโอเคมีคำถามไหมครับครับพอดีอยากจะถามนะครับพอดีแฟนเขาบอกว่าเขาสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เขาจะรู้สึกแบบนอนไม่ค่อยหลับทุกครั้งเลยครับแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนที่เขาเรียกว่าผีอัมอะไรเงี้ยครับมันมันเกิดจากอาการอะไรครับ จะการเครียดของเขาเองเขาคิดปรุงแต่งไปเองอ๋อคเครียดใช่ไหมครับอ่สอาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไปดีกว่ามันไม่ต้องไปแผ่เมตตาหรอกอ๋อไม่ต้ไม่ต้องแผ่ใช่ไหมครับผีมันไม่ได้แผ่หรอกส่วนการสวดมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาอ๋อการแผ่เมตา ต, ต้องต้อนรับผีเชิญต้อนยินดีต้อนรับผีมาเยี่ยมก็ตอนรับเข้าไปในเรียวแผ่เมตตา นี่กลัวผีพยายามจะไล่ผีอ่าม่มก็เลยยิ่งเครียดใหญ่ครับออถ้ากลัวก็ให้สวดมนต์ไปอลหังสัมมาสวัสดภาโตสุปฏิปันโนไป<อ>นะทำพุทธธรรมปร ะ, ประสงค์ใจจะสงบใจจะนอนหลับได้<อ>ไม่แผ่เมตตาการสวดนไ่ไจะเป็นการแผ่การสวดเป็นการเป็นเป็นการสอนคนสวดวา่าเวลา<อ>แผ่เมตตาให้แผ่อย่างไร เป็นไม่จองเวรกันครับเรากรลเราอยากอย่างเขาอบอกว่าครับอย่าง เ, เขบอกว่าเป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าย่าย่าให้สวดมนต์ก่อนนอนเนี้่ครั บ, รบแล้วก็จะชอบนอนแบบไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสนิทนี่ครับอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเกิดจากภาวะอะไรอก็ลองให้สวดดูถ้ามันนอนเราลองถ้ามันเป็นรอบสวดมนต์ก็ลองอย่าไปสวดดูแล้ดูเช่นยนอนหลับหรือเปล่าครับ อันตรายไม่ได้อยู่ที่สวนไม่สวนมันอยู่ที่จิตมันเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นมันเป็นโลคกรรมก็มยังนะมั น, ปนอปอเก่ามาก่ามาอาจจะเป็นพวกขี้กลัวพวกหวาดกลัวเต็มหน้าไม่ได้น ใ, นใส่ครับคือแก้โดยที่ลองลองไม่ต้องสวดใช่ไหมครับถ้าสวดแล้วมันเป็นก็ลองอย่าสวดดูสิยัย้ไงครับ ถ้าถ้าไม่สวยก็ยังเป็นอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่เรื่องสวยหรือไม่สวนนะมันอยู่ที่ใจของตัวเองที่เป็น<อ>คนขี้หวาดกลัวอ๋อครับพอใจนะครับคุณสุพัฒนาแสงอรารมณจากบอวินใช่ไห ม, อ, ไมอ้ยารนไหม่รรมศาการพระจารย์ทจ้าค่ะจากบอวินเจ้าค่ะ อขออนุญาตมาฟังพระอาจารย์ตอบคำถามเนาะค่ะอวันนี้ไม่มีคำถามเนาะค่ะไม่มีนะเนาค่ะสบายดีเนะสบายดีเนาะค่ะพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะอ่าสบายดีจ้ะเมื่อวานนี้คิดว่าพระอาจารย์จะลาจะจะจะไลก็เลยวันรอแต่ว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่นวานสิมันก่อนวันพระพอดีนึกได้ว่าวันอาคารเป็นวันพระพระอาจารย์คงพักผ่อนก่อนอ่ก็เลยรอมาวันนี้อื ค่ะก็ไม่ได้นอนถึงแม่อยากจะตั้งกําหนดตารางว่าเดี๋ยวถึงเวลาเริ่มทาไม่ได้เอาแบบทํามันจัดสรรกันแล้วกันกันรอก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมาก็มาไม่มาก็ไม่มาค่ะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ทุกข์ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะทุกข์านไม่ได้ดังใจอยากใช่ใช่ค่ะที่อาจารย์ ทำใจจนเฉื่อยเป็นการเป็นอุเบกขาคก็ดีไม่มาก็ดีตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็คือพยายามให้ให้หยุดความอยากให้วางให้ได้แต่ไม่ใช่เป็นการที่เราปฏิเสธใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือเหมือนกับเราไม่หน้าที่อะไรทํำก็ทําเราต้องการอะไรเราก็ทําไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีจะได้ไม่ติดหวัง วราบางทีต้องทำต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ค่ะถ้าจะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วก็แล้วไปว่าไม่มีใครลังคับมันได้คค่่ะะบางทีมันจะไม่ได้ก็ไม่ได้มันทีมันจะได้ก็ได้่คะต้องทำใจเป็นกลางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีค่ะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้ได้เราก็ทำไปถึงจะได้มากได้น้อยก็ไปเรื่องของผล อ๋นีฟังถามต่อไปนะเจ้าค่ะาย์ค่ะคุณเบนจวรรณสุขศรีดาจากเมืองชนชนบุรีค่ะกลาวอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เออหนูมีคำถามอยากกลาวถามพระอาจารย์นะคะถ้าเราปฏิบัติแล้วค่ะเราเริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเองเยอะขึ้นนะคะพระอาจารย์เราจะจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงอะคะ เราก็ยอมรับเใช่ว่าเราไม่ดีเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปได้เองสิ่งไหไม่ดีเราก็ละมันมพระเจา้าบอกให้ละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราอแล้วก็ให้สร้างสิ่งที่ดีที่ยังไม่มีในตัวเราให้เกิดขึ้นให้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่เราละแล้วอย่าให้มันกลับขึ้นมาอีกเช่นเราชอบกินเหล้าเนี้ยเลิกกินเหล้าได้แล้วก็อย่า ก, กลับไปกินอีก สมมติเราพูดตัวอย่างหี้อาอบงอนที่งอนนี่ก็ก็เลิกงอนอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วจะได้ไม่งอนที่งอนเพราะบางทีไม่ได้ดังใจอยากอะไรงอนเราอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วเราจะไม่งอนเรจะเฉยเฉยนะต้องค่ะการที่รู้ตัวเองดีแล้วพระเจ้าบอกให้รู้จักตนค่ะ อย่าไปดูความผิดของคนอื่นดูความผิดของเราดีกว่าเพราะความผิดของเราเมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้แก้ไขได้เราจะได้ปรับปรุงตัวเองให้เราดีได้ไปดูไปจ้องผิดคนอื่นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรางั้นดีแล้วละ่ะถ้าเราถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเริ่มเห็นส่วนต่างๆที่มีในใจเราทั้งดีทั้งไม่ดีส่วนที่ไม่ดีก็คอยกำจัดมันไป ส่วนดีก็พยายามเสริมให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเป็นอย่ hmm. เราเป็นคนชอบเสียสละชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะก็พยายามทําให้มากขึ้นพอไปเห็นใครเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือก็ริมยื่นมือก็ไปเลยไนที่ไหนที่ต้องต้องการคนช่วยก็ทํางานก็ทําไปเลยไม่ใช่หลบมุมมาค่อนชอบหลบมุมเวลามีงานมาเวลากินก็ออกโผล่หน้ากันมาเต็มโต๊ะเลยี ถึงเวลาเก็บถ้วยเก็บชาไปล้างหายไปหมดเลยเอางัยไหมอันนี้ ย, นนยกตัวอย่างาดูนิสัยเราว่านิสัยเราเป็นยังไงถ้าไม่ดีก็ก็กําจัดมันเสียอย่าไปทํามันไม่ต้องรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะค่ะเป็นธรรมชาติของผิดแล้วมันก็ผิดมันจะเป็นรู้สึกผิดไม่ผิดมันก็ผิดอยู่ดีใช่ไหมต้องยอมรับผิดดีกว่า ส่วนใหญ่ที่เราไม่ยอมรับผิดเพราะเราคิดว่าเราดีไงพอเราเห็นส่วนที่ไม่ดีของเราเราก็เลยไม่ยอมรับมันนะงั้นเราต้องยอมรับว่าตราบใดที่ยังเป็นปู้ตุชนยังเวีนว่ายตายเกิดอยู่นี่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยส่วนไม่ดีมีเยอะส่วนดีมีน้อยอเขเรียก ว, ว่าส่วนดีเป็นเหมือนเขาวัวใช่ไส่วนไม่ดีเหมือนขวนวัว ว่วเนี่ยมันมีเขาให้สองเขาใช่หมตัวหนึ่งเนี่ยขนเยอะแยะเลยผูุ้ชนอย่างพวกเราก็แบบเดียวนี่แหละมีดีประมาณสองเขาเลย่งส่วนไม่ดีนี่มีขนเต็มรอบตัวไปหมดเลยต้องพยายามปรปับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีจ้าค่ะทำใจให้สงบใจสงบแล้วมันก็จะเป็นใจที่ดีขึ้นมาเองการขอบคุณจ้าค่ะ โอเคคุณเจนเขาไม่ไม่ตอบน้องนะคุณเจนมาฟังเฉยๆได้ไหมไม่พูดใช่ไหมคุณเจนเปนเพื่อนคุณจ๋าเพื่อนหลา่าเขไม่พูดเ <c oughs> หรอไปคนยืนก็นแล้วกัน y u n ยืนไม่ยื่นเลยหรือได้ยืนไหมคนยืน y u n ได้ยินไหม เห็นหน้าขึ้นหน้ า, นา ค, คุณยุ่นยังไม่เปิดคุณยุ่นยังไม่เปิดยังไม่เปิดไมค์ครับคุณยุ่นเปิดไมค์เป็นไหมครับเดี๋ยวไปที่คุณนัดปางน้อยก่อนนะคุณนัดรอมานานล้คุณนัดเปิดไมค์เปิดไมค์เป็นไหมคุณนัดเดี๋ยวผมบอกให้ก็เปิดแล้วฮะาหายไปแล้ว คุณนัดฟางน้อยเปิดใบกดอันบิวได้เลยฮะเล่นได้เป็นนะอ่านัดก็ามาแล้วครับาว่ามาอยู่ที่ไหนคุณนัดฟางน้อยครับบ้านอยู่ที่ไหนพัฒตะลุงครับฮะไม่ค่อยได้ยินเคอพัฒตะลุงครับพัฒลุง ครับงก็ทะลงออกมาจากปากใต้ตอนนี้ฝนตกก็บ้าที่ปากใต้ไม่มีไม่มีฝนนะโอเคเกิดมีอะไรอยากจะถามไหมอ่าอ่าไม่มีงั้นไปคุณยื่นใหม่คุณยื่น้องเปิดใหม้ดูสิอ่าต้องเปิดไม้ก่อนคีณยื่กดกดอันมิ้วเลยครับนะคะโอเคโอเคอ่าได้ไหมคะ ได้ยินลนัอาพาธครับฮะว่าไมคุณนัทอาพาธอาพาธนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวก็หายนะใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวฟังทาไปเรื่อยๆนะครับโอเคคุณยืนว่าไหมค่ะกล่าพระอาจารย์จ้าค่ะอยู่ที่ไหนตอนวันนี้อยู่นนทบุรีค่ะโอเคคเข้ามาแล้วยัง เคยเข้ามาแล้วค่ะสองครั้งค่ะสองครั้งวันนี้มีอะไรไหมมีค่ะว่า อ, อ, อะไรหนูมีอยู่วันนึงนะคะ่ะพระอาจารย์หนูนอนหลับแล้วได้ยินเสียงหัวใจตัวเองนะคะ เ, เสียงมันด ไ, ได้ยินก็รู้ว่าได้ยินไปเท่านั้นเองอทีนี้เนี่ยอเออหนูพิจารณาว่าเออตอนที่ได้ยินนะคะก็พิจารณา ฟังเสียงมันอยู่พอพอสักสักระยะหนึ่งอ่ะออหนูได้ยินเออคือมันมันมีทั้งดังทั้งเบาแต่แต่หนูก็เพ่งอ่ะค่ะพอเพ่งมันมันก็ดังขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเ อ, อหนูมีความรู้สึกว่ามันมันแยกออกเป็นสามส่วนนะค่ะมีทั้งกิเลสแล้วก็ทั้งกายเราแล้วก็ใจ ใจจิตเราที่ได้ยินเสียงอะค่ะตัวสำคัญก็คือจิตเราเนี่ยจิตเราให้ได้ยินอะไรก็ให้เฉยๆไว้ท้านใหไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาไม่ต้องกิเจนหน่ะมันหรอคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องถ้าถ้ากำลังทำสมาธิอยู่ให้กลับมาที่พุทโธแล้วกลับมาที่ลมอย่าไปสนใจกับเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเรบฝึกสมาธิเราต้องการความว่างความสงบ อ, อัา น, นี้คือคือหนูไม่ได้ตอนนี้ตอนที่หนูได้ยินเนี่ยหนูส่วนใหญ่หนูจะไม่ไม่ได้นั่งนะคะหนูนอนตื่นมาใหม่ๆค่ะอ๋ะอก็ให้รู้เฉยๆเหมือนเราเห็นภาพได้ยินเสียงของคนนั้น<ม>คนนี้ก็ไม่ต้องไปพิจารณาให้มันเสียเวลาพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไป<ม>เกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็ ให้รวบเป็นเสียงก็พอให้รวบเป็นภาพก็พอมันเป็นอะไรแค่มันรู้เท่านั้นอย่าไปว่ามันเป็นเสียงเทวดาหรือเสียงเปรตเสียงอะไรไม่จําเป็นต้องไปรู้หรอกเพราะเราไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็อย่าไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณเข้าใจไหมค <Okay. S 1> ่ะอ่านะรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆไปอย่าไปตอบโตอ้อย่าไป ม, มีปฏิกิริยาแล้วใจยังปลอดภยัยใจจะสบายใจจะเย็น ถ้าไปคิดว่ เ, เป็นผีก็ตกใจขึ้นมากลัวขึ้นมาอะไรต่างๆขึ้นมาอแล้วตอนนั้นคือไม่ได้ตกใจอะไรแต่ว่าแปลกจะแปบกบใจว่าทําไมถึงได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอก็มันอยู่กับตัวเร<อ>ามาตลอดเวลาแล้ ว, ลวไม่ฟังมันมันก็ไม่ได้ยินเลยออพอใจเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นมันก็มันอยู่กับร่างกายมันก็ได้ยินขึ้นมา แต่ตอนนั้นเองมันได้ยินก็ได้ยินหัวใจเราก็รู้ว่ามันเต้นอยู่ทุกเวลาหมอเขายังต้องใช้เครื่องฟังหัวใจเต้นเลยใช่ไ้มก็อืมค่ะพอดีว่าอืมค่ะค่ะไม่มีอะไรนะ๋ย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นหูทิปแล้วอย่าไปคิดว่าได้หูทิปได้นู่นได้นี่นะอ๋อค่ะก็คิดว่ามัจงจังอ่ารู้ว่าเป็นเสียงก็แล้วกันได้ยินเสียงรู้ว่าเป็นเสียง หรือแม้จะเป็นหูทิปเสียงทิปก็รู้ว่ามันแล้วก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปอะไรกับมันม <c oughs> ันไม่ใช่ของวิเศษหรอกมันก็เป็นคว <c oughs> ามสามารถพิเศษอย่างหนึ่งการปฏิบัติของเรา <c oughs> ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาเราสนใจเรื่องดับทุกข์พ <c oughs> <c oughs> ยายามรักษาใจอย่าให้ทุกข์กับอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ให้รู้เฉยๆ <c oughs> <c oughs> ต่อไปคน HFO Sweet เปิดปิดปไมโครโฟนหอันมิวซีแดนมิวมูกดอันนิวได้เลยครับอันนิว HFO s โอเคอยู่ที่ไหนพูดได้เลยได้ยินเสียงไหมเปิดอีกแล้ว ก็ต่อไปคุณสุรเสศิ์ครคุณสุรเสศิ์เปิดไม้ได้ไหมกลับมาทัศการครับพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอตอนนี้ผมอยู่ที่สมุทรสาครครับมีอะไรจะถามไหมเออผมก็วางทีไปกับอาจารย์ที่ที่จอมรีด้วยครับที่พัทยาครับธรรมะของพระอาจารย์นะครับเวลาวันเวลาพระอาจารย์สอนนะครับเป็นธรรมะที่ที่สามารถเข้าใจได้ดีมากเลยครับแต่คนนี้เนี่ย ความเข้าใจของพระอาจารย์เนี่ยคือพอมาน้อมนําเข้ามาสู่ตัวเราอ่ะครับการที่เราจะลดละที่จะเดินตามพระอาจารย์เนี่ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะครับบางบางทีฟังธรรมะพระอาจารย์เสร็จเนี่ยอยากจะไปหาอาจารย์พระอาจารย์ใหม่แต่ว่ามันเหมือนว่าการบ้านเราไม่มีส่งอะครับมันไม่เหมือนไม่มันเหมือนไม่มีความก้าวหน้าที่เราจะลดละอะไรลงไปอะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมาส่งการบ้านมาก็เพื่อมารับความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆไม่ต้อส่ง เราไม่มีการบ้านฝากใครนะขี้เกียจกิดการบ้านแต่แต่ได้ได้ธรรมะพระอาจารย์นะครับก็เป็นเป็นเป็นแนวทางแล้วก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นแสงสว่างที่ดีครับที่ผมก็เดินปฏิบัติตามมาครับแต่ว่าที่สิ่งที่พระอาจารย์พูดก็ถูกหมดครับแต่ว่าอย่างที่ว่าครับอยู่ในโลกเราก็ยังไม่สามารถที่ที่ทําได้เต็มที่เลยอะครับพระอาจารย์ครับเวลาเวลานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจอะครับ เอ่อก็กำหนดลมหายใจสมมุติว่าเราตั้งใจไว้จะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเอ่อพอนั่งไปสักประมาณสักสามสิบนาทีแล้วมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับแบบหายไปอะครับแต่ว่าพอครบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็มีสติเ อ, อคลายออกมาเองอะครับอันนั้นเป็นหลับหรือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรครับถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันก็หลับเรารู้สึกแต่ว่ามันมันมันเหมือ น, นกับหายหายไปอะครับเคริมเคมเครื่องหลับเครื่งตื่น คือสติเราหย่อนยานนะ ส, สติเราอ่อนกําลังลงมันต้องเหมือนกับตอนที่เราคุยกันตอนเนี้ย ส, สติต้องเป็นอย่างเงี้ยเวลาคุยกันก็รู้ว่าคุยกันเวลาหยุดคุยก็รู้ว่าหยุดคุยแย่างที่คนเล่ามานี่ยค้าๆมันเคลิ้มครึ่งหลับขึ้นตื่นแล้วแล้วตอนนั้นผมควรจะกําหนดมากําหนดลมหายใจใหม่หรือว่าสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆครับคือบางทีผมตามครับว่ารู้คือบางที<อ>ลมหายใจมันหายไปก็ตามแต่คําว่ารู้จนมันหายไปเฉยๆครับแล้วก็พอนี้พอมันครับ กลัมาดูลมหายใจถ้าลมหายใจอให้อยู่กับลมหายใจถ้าใช้ลมหายใจหรือไม่ใช่นนั้นก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธครับครับใช้คําบริกรรมครับแล้วก็ลมหายกับลมหายใจแบบพระอาจารย์มานะครับอให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมีงานทําครับครับบางทีถ้าผิวชักพักมันเสือแล้วมันก็หยุดไปหยุดแล้วก็เคลิ้มหลับไปครึ่งหลับครึ่งตื่นไปครับ อ๋อครับแต่ว่าเวลาเราตั้งจิตแล้วอย่างเช่นแต่เวลาเท่าไหร่เนก็ต้งเป่งเลยนะครับถึงเวลาปั๊บมันก็คลายออกมาเองเลยอะครับนั่นแหละเหมือนเวลาเราตั้งใจมัาจะตื่นี่โมงมันก็ถึงเวลามันก็จะตื่นขึ้นมาอ๋อไ <ใจ S 1> มนถึงตัวไงไงตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวนั่งสมาธิ น, นะครับพระอาจารย์เออนั่นแหละพอเราตั้งไว้ดี่เคยขนาดเท่าไหร่ถึงเวลามันก็จะเลิกถึงเวลานั้นมันก็จะเลิกไปอ๋อครับครับ แล้วลอย่างงี้ถ้า Are อาจารย์พอแนะนําหรือได้ไหมครับว่าทํา <Pink"> ย uh, ังไงเราถึงถึงจะสามารถที่จะเดินต่อไปได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยครับก็พุทโธต่อไปทีนะพอหนึ่งชั่วโมงก็อย่าเพิ่งลุกเ็ยก็เริ่มทําพุทโธต่อไปใหม่เรื่อยๆต่อไปหมดค่อยเข้าโธออกไปต่อหมายถึงว่าผมขอเรียนถามเพื่อความเข้าใจนะครับถ้าผมกําหนดลมหายใจพุทโธเหมือนกับที่วอาจารย์มั่นที่ไปลจมูกเนี่ยครับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี้ยครับจนกระทั่ง เอ่อบางครั้งเนี่ยลมหายใจหายเนื้อตะพุทโถบางครั้งก็หายไปทั้งสองอย่างถ้าม่รู้ตัวใหม่ก็กาหนดพุธโถใหม่ที่ไปลมจะบุใช่ไหมครับอ่าให้กลับมาที่ลมที่พุทโตอ๋อก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่อออย่าหายอย่าให้มันหายต้องมีพุทโถมีลมไว้เป็นตัวกำกับใจนะครับคุณวิชานครปฐมอาจารย์ก็ ที่ที่ผ่านมาก็ทำได้ดีขึ้นครับก็ตื่นติได้มากขึ้นแล้วก็ที่ที่ความอยากบางที่มันอยากกินนู่นกินนี่หลังเที่ยงเนี้ยเราก็ตัตดมันได้ต อ, อ, อนนี้มันขาดมันต้เป็นแล้วก็ดูมันแล้วก็เวลามันอยากกินอาหารก็นึกถึงอาหารที่อยู่เวลาอาเจียนออกมาเนี่ยหรือเวลาทายออกมาหรือเวลามันอยู่ในปาก เวลาคายออกมาดูเชว่ามันน่า ก, กินไหมมันก็จะไม่อยากกินอย่าไปดูว่าอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานพะอคิดถึงอาหารีในาจานมันก็หิวน้ําลายไหลพอคิดถึงอาหารที่อาเจียนออกมาที่เราคายออกมาจากปากหลังจากเคี้ยวแล้วนี่มก็จะไม่อยากกินนะพอนะที่กําหนดไว้ว่าตั้งสามปีก็ร่นลงมานะ่าจะปีหน้า อาจจะต่อไปข้าหน้าจะเหลือหกเดือนก็ได้อพาว่าตอนนี้ก็ลองดูคนที่จะมาทํางานต่อจากเราแทนอะไรอย่าเงี้ยเรื่องงานสอนอะไรอย่า ก, ก็ก็อย่าไป ก, ก, กไังวลกับมันมากได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เพราะอนาคตมันไม่แน่นอนครับเดี๋ยจะทำให้เราทุกไปกเปล่าๆเวลาตั้งตั้งแล้วมันไม่ได้ ก็ยังเป็นใบตามธรรมะจัดสรรก็แล้วกันเมื่อพร้อมแล้วนะมันก็ครับผมก็มีพราะจ่าที่ท่านท่านท่านคนเคยคือสนทนาท่านอยู่ประาำท่านบอกว่าให้ให้ให้รักษาใจให้มันให้มันอยู่กับเรื่องของความอยากที่จะปวดไปไปเรื่อยคืออย่าปล่อยมัน และปล่อยมันได้ในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันสร้างให้สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้ายังเรายังบวชไม่ได้ครต้องยอมรับความจริงรว่าตอนนี้ยังติดนู่งติดนี่อยู่มันยังรถที่ยงไม่ได้ขึ้นทางด่วนมันก็ต้องติดไฟแดงติดสีแยกติดอะไรบ้างก็คิดว่าตอนเนี้ยมันต้องมีอยู่ประาทบ้างเพราะเขาก็ต้องวัดเราว่าเราพร้อมที่จะไปทางนั้นโดยจริงๆหรือเปล่าเนี้ยถ้ามัน มันไปแบบง่ายๆเนี่ยเท่าที่แล้วปวดปวดง่ายแต่มันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวแต่ตอนเนี้เราฝึกเหมือนเราได้ฝึกก่อนก่อนที่เราจะไปูอยู่อยู่อย่างถาวรเนี่ยมันก็น่าจะรู้สึกว่าตอนนี้มันเรารู้ชั้นเชิงของตัวพอจะรู้แล้วว่ากิเลสมันจะมาหลอกยังไงบ้างเราก็จะรู้มันแล้วเท่านี้ก็จะทันแล้วมันนั่งมวยซ้อมชกก่อนก่อนจะขึ้นเวทีจริง ซ้อมได้แล้วพอขึ้นเวทีจริงจะได้เอาชนะกู้ต่อสู้ได้ครับถ้าไม่ซ้อมเลยพอขึ้นเวทีก็ถูกค้อนนอก็กทันทีครือโดนนอกมแล้วครับโอเคนะคท่านต่อไปนะคุณกา l ล x กซี่เอหนึ่งหนึ่งเอสิบ็ดคุณกา l ล็กซี่ได้ยินไหม <A 11. S 1> อ, อยู่ที่ไหนทากากรรมัสการค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะ อมาไกลนะอ่าเป็นครั้งแรกเหรอค่ะอ่าโยมก็ติดตามพระอาจารย์ในเ c e บ o ๊ k ตลอดเลยค่ะแล้วก็โยมโยมอุปถากวาัดแล้วก็ชอบเผยแพ ร, ร่ธรรมะของพระอาจารย์ค่ะเป็นการติดตามข้อคิดที่ดีมากค่ะแชร์ไปเรื่อยคนติดตามพเพิ่มขึ้นเลยขาข อ, ขอ ง, <า>งพระอาจารย์มามาปฏิบัติค่ะอ่าดีจ้ะมีลารอยากสถานไหมา ถ้มีบุญหนูจะไปกล่าวพระอาจารย์นะคะวันนี้วันนี้หนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูหนูหนูอ่าบนะเส็จหนูมาเปิดว่าจะนอนแล้วมาเปิดเจอพระอาจารย์หนูก็ก็เข้ามาไม่คิดว่าจะมีบุญได้ได้สนทนากับพระอาจารย์ค่ะก็ได้กลาวแล้วเนี่ยไม่ต้องมาหรอกค่ะโอ้พี่ดีมากดีมากน้ำตาไหลเลยนีอะไรจะถามไหมอ่าไม่มีค่ะอาจารย์หนูดีใจมากมา เป็นบุญมากๆถือเป็นบุญมากแล้วก็ขอกาลกาลฝากตัวเป็นศิษย์นะคะชื่อนี้สารัตนโกเศสนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่อสองเป็นอาจารย์เนะค่ะแล้วก็มรดกตัวนี้ก็วันพ่าหนูก็ขึ้นสวดมนต์ปฏิบัติที่บ้านค่ะโอเคเอาไปทั้นต่อไปนะค่ะการนวัตสกัดคุณเคนเคน อยู่ที่ไหนคุณแคนแคนได้ยินไหมยังเขาไม่ได้เปิดไมค์ครับอาจารย์อยที่คุณสวรรค์ทองคุณ<ะ>สวรรค์ทองก็ยังยังไม่ได้เปิดไมค์ครับมีคําถามจากจากในเฟสนะครับอาจารย์าจากจากจากคุณจีฟนะฮ ะ, ะครับคุณจีฟอถามว่าขออนุ ญ, ญาตถามค่ะ จะนั่งสมาธิอย่างไรให้ดับทุกข์และใจหดหขู่คะและอยากจะนั่งเป็นประจำค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต้องนั่งด้วยสตินะถ้าไม่มีสตินั่งมันก็จะไม่มันใจก็จะไม่หยุดคิดนะใจไม่หยุดคิดทุกข์มันก็ไม่หยุดนถ้ามีสติก็จะหยุดความคิดได้ไม่หยุดความคิดได้ความทุกข์คอยมันก็จะดับไปได้ใ น, นี้เบื้องต้นเราใช้สติดับทุกข์ไปก่อนยังต้องพุโทโธพุโทโธไปในใจ ที่เกียนพยายามตั้งพุโทโธพุโทโธสู้กับความคิดอย่าตามความคิดให้ตามพุโทโธแทนพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดที่มันแข่งเข้ามาส่วนมันไปก็ได้แล้วก็ต้องทำงานไม่ใช่แค่สองสามนาทีแล้วก็จะหวังว่ามันจะดับมันไม่ดับง่ายๆมันเหมือนไฟป่าแล้วเพิ่งมี น, มน้ำสองสามก็แฝงใบเทมันต้องใช้เวลาต้องใจเย็น พยายามหัดสวดมนต์ไปหรือท่องพุโทโธไปตั้งแต่ยังไม่ทุกข์เลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานีซ้อมไว้ก่อนเตรียมน้ําไว้ก่อนพอเกิดไฟของความทุกข์เกิดขึ้นจะได้เอาเอาน้ําของสติเทราดเข้าไปได้เลยถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนพอถึงเวลาจะหยุดความคิดมันหยุดไม่ได้ถ้าให้มันนึกถึงพุโทโธมันนึกไม่ออกให้มันสวดมนต์สวดไม่ออกอต้องพยายามหัดทำไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดความทุกข์ ทำั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยถึงก็มาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไปลุกขึ้นจากเตียงไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันกับพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดนะจะถ้าอยากคิดก็คิดเรื่องที่มันจําเป็นเท่านั้นถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็นก็อย่าคิดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้ เพราะความทุกข์มันก็เกิดจากความคิดของเรานี่แหละะคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาพอเราหยุดหยุดคิดได้หยุดอยากได้มันจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์โอเคนะคุณเชนเชนอคุณสวรรค์ทองเปิดเปิดเปิดไม้ได้แล้วยังคุณสวรรค์ทอง สวรรค์ทองเปิดไม้เปิดไม้ได้ไหมครับไม่ได้ยินเสียงมั่งเห็นนั่งอยู่เฉยๆครับน้องโดนัทป2ทับ4เลขที่2ก่อนเป็นยังไงอยู่ที่ไหนกดอันมิ้วได้เลยครับอยู่นอนค่ะอยู่นนทบุรีเคยเข้ามาหรือเปล่าอะไรนะคะเคยเข้ามาหรือเปล่าไม่เคยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกค่ะเอ มีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีค่ะอ kind of ่า <crosstalk? S 2> UH อยากจะฟังเฉยๆเลยค่ะโอเคยังขอไปผ่านในท่านต่อไปนะค่ะเห็นคุณในโฟนคุณไอโฟนเปิดเปิดเสียงนะครับุณไอโฟนจะมีอะไรปู่มไหมครับอยู่ที่ไหนค่ะมีค่ะอยากจะถามพระอาจารย์นะคะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวบอกครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะค่ะอยู่กรุงเทพค่ะโอเคถามได้เลยได้ยินใช่ไหมค่ะ อัดใช่ไหมคะอ้ะาวชาัดพอดีคือหนูปฏิบัติพูดแล้วจะร้องไห้ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรพอดีหนูปฏิบัติแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันจะมีความกลัวสิ่งที่หนูกลัวก็คือมันจะกลับไปบ้านเก่าตลอดตอกนกลางคืนนะคะจะฝันเห็นที่บ้านเก่าตลอดอ เห็นถนนที่ผ่านบ้านตลอดแล้วแบบคือเหมือนทุกอย่างมันเหมือนเหมือนนิดนึงก็สะกิดแบบเหมือนเป็นคนใจน้อยขึ้นมาทันทีใช่ใช้พูดโทรหยุดนะันก็แล้วแตนพอเกิดอารมณ์อะไรต่างๆก็ท่องที่ของโทรไฮัลโหลว่ายังไง เวลาอะเวลาเกิดอารมณ์อะไรเกิดความกลัวขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความกลัวมันก็จะหายไปค่ะเหมือนกับจิตหนูมันหลอกหนูให้ไปอ่ะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่าเป็นเป็นของของหลอกเป็นมายาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของจิตตอนแรกหอูไม่รู้ค่ะตอนแรกหนูไม่ แล้วทีนี้หนูก็เลยลองมาพิจารณาดูว่าทำไมถึงไปกลับไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่รู้ว่าจะไปต่ อ, อยังไงอะคะ ก, จจ ก, กทท็ไม่ต้องไปสนใจนะกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่พุทโธไม่ต้องไปสนใจมันเป็นของปองของหลอกถึงมันจะเป็นจริงมันก็เป็นอนดีตไปแล้วเราต้องอยู่ในปัจจุบันอ่า อยู่ปัจจุบันด้วยพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปแล้วอาการต่างๆที่มันเข้ามามันก็จะหายไปเองต่อไปค่ะไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันมันเป็นอนิจจังทุกขงัองอนัตตาค่ะแล้วแล้วคือตอนนี้เวลาคุยกับใครรู้สึกว่าเหมือนกับมันกระทบ ติดใจเราหมดนะคะคือกลัวทาพูดอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดคิดไปหมดเลยอะค่ะก็ก่อนจะพูดอะไรก็คิดให้ดีก่อนว่าพูดไปแล้วจะทำให้เกิดผลอย่างไรถ้าไม่ดีก็อย่าพูดไม่จาเป็นต้องพูดก็ได้พูดแต่สิ่งที่ดีพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาสบายใจ ถ้าพูดแล้วทำให้คนอื่นก็ไม่สบายใจก็อย่าไปพูดไม่มีใครบังคับเราพูดได้หรอกท่านบอกว่าก่อนพูดนี่เราเป็นนายของคาพูดเราพูดไปแล้วคาพูดมันเป็นนายของเรามันอาจจะกลับมาตีหัวเราก็ได้ถ้าเราพูดไม่ดีนั้นคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะพูดถ้าไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็อย่าพูดค่ะ ไม่จำเป็ น, งป น, งปนังต้องไปผู้รู้ผู้ฉลาดถ้าเราไม่รู้ไม่ฉลาดเราก็ไม่ต้องไปอวดว่าเรารู้เราฉลาดค่ะเข้ า, เาใจนะค่ะเ ข, ข้าใจค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณออนอุมาแก้บวบัว อ, อยู่ที่ไหนบ้านไหมแค่อหนอุดอเาากการเจ้าค่านามัสการตัวค่ะ มีอะไรอยาถามไหมไม่มีเจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคสาธุคุณหมอีรพัฒนมีอะไรอยากจะพูดไหมอา่อาผมผมนั่งสมาธิประมาณวันละสองชั่วโมงกว่าๆครับหลวงพ่อครับตอนก่อนไปทํางานแต่ก็เออก็สงบบ้างไม่สงบบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็จะออกมาตอนประมาณสองชั่วโมงพอดีพอดีๆๆ แต่ก็ไม่เคยเห็นนิมิตอะไรชัดๆครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้อนามัตตะสติครับถูกทางไม่จะเป็นนิมิตนี้ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการของเราต้องการคือความว่างนีนถ้ามีกลับไม่ดีนะไม่มีกลับดีกว่าเพราะมีแล้วเราอาจจะหลงไปยึดไปติดนั้นได้เ้าจะทำให้เราเสียเวลาเพราะการนั่งสมาธินี่เราต้องการความว่างต้องการอุเบกขาเป็นหลัก ต้องการให้ใจเราเฉยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรักชังกลัวหลงนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิคือฌานสี่เข้าไปถึงฌานสี่มันจะได้อุเบกขาแล้วจิตก็จะว่างหรือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้ที่เรียกว่าเอขกขัตตารมอั น, นี้ตาหาสคือผลของการปฏิบัติสมาธิส่วนนิมิตนี่มันเป็นเรื่องของแถมบางคนก็มีมาบางคนก็ไม่มีมา แล้วถ้าไม่รู้จักปฏิบัติมันก็อาจจะทุกนิดนิดทำร้ายเราได้นี่นอย่าไปสนใจดีกว่าถ้ามันมาก็อย่าเพิ่งไปสนใจเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นนิมิตจริงหรือนิมิตเทียมอีกต้องอาศัยประสบะการณ์ต้องอาศัยไปปรึกษากับท่านผู้รู้เรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านสอนอีกทีหนึ่งก่อนจะดีกว่าครับครับดูคบหมดคำถามครับโอเคองั้น เมื่อกีคุณเอกได้ได้ได้พูดอะไรอยังคุณเอกอย่างครับอาเชิยงรายมาจากที่ไหนคุณเอกเดี่นนะฮะคุณเอกคุณเอกกดอันมิ้วเลยครับกดอันมิวเลยได้เลยฮะคุณโอเคอกแล้วกับเรียนพระอาจารย์ครับผมมาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนพระอาจารย์ครับผมเอ่อจากเชียงรายครับอำเภอเชียงแสนครับผมเชิยงมีคําถามไหมเอ่อ ผมมีคำถามนะครับอาจารย์คือผมเองเออผมปฏิบัติสมาธิก่อนนอนนะครับแล้วก็ตื่นเช้าตีสี่ึปฏิบัติจนถึงประมาณเกือบจะหกโมงทุกวันครับอาจารย์แต่มีว่าเออภายในเจ็ดวันพระอาจารย์ก่อนวันพระนะฮะเออหรือว่าวันพระแล้วก็คือ มันจะไม่นิ่งอะครับพระอาจารย์คือว่าแบบพุโทพุโธก็มันก็ไม่นิ่งก็จิตก็จะไหลๆหลออกไปนะฮะบางทีก็ทำเหมือนที่พระอาจารย์ได้เคยเทศไว้ที่ก็สาธยายพุทธคุณนะฮะกิติวิโสพัควาก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยครับอาจารย์คือ ยังอยู่ในแนวทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระอาจารย์ได้ได้เทศไวหรือเปล่าครับนอะาจารย์ลองดูรู้สึว่าสติยังมีน้อยไปต้องเพิ่มสติเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ต้องพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปเวลาที่เราทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นน้าอ า, า, า, าบท่านั่งหน้าแปลงฟังไหวบ้าถูว่าทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็หยาบไปให้มันคิดครับผมในสวดมนต์ไปลูก ต้องพุโทโธไปแล้วต่อไปมันจะมีกำลังมากเวลาเรานั่งมันจะได้สงบได้ได้มากขึ้นได้นานขึ้นครับผมคือคือผมเอ่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับพระอาจารย์ผมเอ่อผมเคยเอ่อแบบว่านั่งสมาธิแล้วก็มันก็หายไปนะครับผมผมว่าคำถามทาง Facebook เฟซบุ๊กไปถามพระอาจารย์นะฮะเอ่อพระอาจารย์ก็บอกว่า อ ย, อย่าไปถามว่ามันคืออะไรคือตรงนั้นแหละที่เราจะไปหามันแต่ว่าแต่ตอนนี้มันหลังจากตอนนั้นมามันก็ไม่รวมมันก็มีขึ้นมาบ้างที่หน้าอกมันก็เบาบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับอาจารย์<ไ>แต่มันก็ไม่บูบไปฮะอาจารย์ก็อยู่กับพุทโธแล้ อ, อยู่กับลมหายใจนะไม่ ไ, มได้สนใจอะไรทั้งหมดนั่นสมาธินี้เราต้องการจุดเหมือนสายล่อฟ้าเนี่ยเราต้องการให้ฟ้ามันลงที่ ตรงสายลอฟ้าเราต้องให้จิตรวมแล้วก็ต้องใช้พุทโธหรือรวมหายใจเป็นตัวลอจิตให้รวมเข้าไปครับ้าไปที่อื่นถ้าไปที่อื่นแล้วมันจะไม่รวมมันจะไม่สงบโอครับผมครับผมแล้วเวลาไม่เน้นนั่งก็ต้องฝึกสมาธิฝึกพุทโธฝึกสติไปไปก่อนด้วยครับจะมาทําตอนที่นั่งอย่างเดียวมันไม่พอมันมีกําลังน้อยครับผมเข้าไปยาขุดทั้งวันเลยนะ ช่วงไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปครับผมครั บ, รบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับสาธุงั้นท่านต่อไปคุณสวรรค์ทองน่าจะเปิดไมยได้ลนวันนี้คุณสวรรค์ทองอตัวสีแดงกดเข้าไปแล้วมันจะได้กลายเป็นสีขาวดูมุมซ้ายข้างล่างมุมซ้ายของเครื่องของคุณอ่ามาแล้วพูดได้อ่ะขายไปแล้ว ออ่่าาพูดได้แล้ว อ, อยู่ที่ไหนอ่าแสดงว่าสายของคุณเสียไม่นั่นครับพูดกาบรัศการข้าจารย์อยู่จังหวัดกาลสินครับผมอ่ามีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมพูดได้มีอะไรจ ะ, ดดะราถามก็เชิญถามได้เลยเสียงมังกรไม่ใหม่แล้วถัดขาดหายหายไป แดงว่าสัญญาณของคุณลงไม่ดีมันอันนี้ภาพหนึ่งครั้งนะสัญญาณไม่ดีอลองพูดอีกทีครับคุณสวัสด์ทองอเอาไม้จ่อปากเลยฮะวันนี้ไม่มีข้อสงสัยครับเข้ามาร่วมรับฟังด้วยครับได้ดีงั้นเขาเอาไปที่ท่านต่อไปเลยนะครับเชิญท่านต่อไปครับคุณสันลินทอนคุณเคนเมื่อกี้ผ่านไปแล้วทัางหนึ่งใช่ไหมขอให้คุณสันทินครับ ก่มรมวัตรการสวัสดีค่ะพระอาจารย์กลับ ม, รรมาสมัชชาค่ะในแมรีแลนด์ไหอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนยม อ, อยู่อเมริกาค่ะยมอยู่ที่แมรีแลนด์ค่ะยอยมยังไม่เคยแนะนําตัวเป็นทางการเลยค่ะยมชื่อหุยค่ะหุยอเอ่อค่ะหุยหุยห้าโหที่อวอาจารย์ชื่อจีนนะชื่อจีนชื่อจีนค่ะเป็นชื่อจีนค่ะพระอาจารย์แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมายมก็พยายาม จริญสติให้มากขึ้นพอรู้ว่าตัวเองอ่อนทางด้านสติอะค่ะก็ปกติโยมก็จะถ้าตอนเย็นโยมก็จะเดินจงกรมประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนแล้วถึงจะนั่งสมาธิอีกสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะทําไปเรื่อยจนกระทั่งตื่นนอนแล้วตื่นนอนแล้วก็จะมานั่งสมาธิอีกสักชั่วโมงหนึ่งอะค่ะจนกระทั่งได้เวลาทํางานแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ ก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยมันจะรู้สึกชาชาชาตามแขนตามขาแล้วก็จะรู้สึกถึงเอ่อเหมือนเหมือนเหมือนมันมนแป๊แๆะแะอยู่ที่ตัวค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนเรากินขนมเด็กๆอะค่ะที่มันกินแล้วมันแตกแตกแตกส้นออกมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ป่าเท้าทั้งเวลาที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิ แล้วเวลานอนก็จะรู้สึกถึงแรงกระเพื่อมเหมือนเป็นพลังงานที่อยู่ข้างในอะค่ะบางทีเขาดันเขาดันจนยมตื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกถึงพลังที่มันซาดออกทั่วตัวแล้วมันก็กระจายจนกระทั่งไปถึงปลายนิ้วมืออะค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็นิ่งไปซึ่งไอความรู้สึกตรงเนี้ยค่ะมันก็เกิดตอนเดินจงกรมด้วยเหมือนเขาพุ่งดัน ดันขึ้นมาจนกระทั่งยมสำลักกับค่ะพระอาจารย์ลักษณะเช่นนี้ถือพลังงานอย่างนี้ที่รู้สึกที่ยมหรือรู้สึกนี้ถือเป็นถือเป็นกายในกายไหมคะพระอาจารย์อ๋อไม่ใช่หรอถือว่ามันเป็นเรื่องของจิตจิตมันสร้างขึ้นมาจิตมันสร้างขึ้นมาอ่าเป็นอาการของจิตเราก็เพียงจัดพิจารณาให้มันเป็นตายลักไป ค่ะย์ก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นก็แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วลก็ปล่อยวางค่ะอาจ ม, มันเองอยากพยายามควบคุ ม, มบังครับมันเพราะถ้าทําไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราเครียดขึ้นมาได้ไม่หรอกค่ะอาจารย์เพราะว่าพยมกําหนดพุทโธพุทโธมันก็เริ่มเริ่มต่อเนื่องเข้ามาถึงในฝันเหมือนเหมือนถ้าเราตื่นเหมือนสติมันเริ่มตื่นนะคะอาจารย์แล้วมันก็ได้ยินเสียง เหมือนถ้าเราเหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาในในในขณะนอนโยมก็พูดโธในขณะนั้นแล้วยมก็นึกว่ามันเป็นเวลาเช้าแล้วนึกว่าตัวเองตื่นแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่มันยังมันยังดึกอยู่ค่ะแล้วก็เห็นเห็นกิเลสเห็นความฟุ้งเฟอ้อเห็นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าแหมเราจะเอาอะไรไปสู้ในสนามรบนีแค่นี้เราก็ตายได้ไงตอน ตอนยังไม่ได้เห็ทันสู้เลยเพราะเราตามเขามิทันพอเวลาที่พอเวลาที่โยมกําหนดได้ก็คือมันฟุง้งฟุ้งไปถึงไหนต่อไหนแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องใช้พุทโธเดินกลับมาไหมบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วทํายังไงโยมถึงจะให้สติเนี่ยมันตั้งได้มั่นกว่านี้อะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็ต้องทําให้มากขึ้นเงยมากขึ้นก<ด>ว่านี้ใช่ไหมคะถ้าแดดตื่นนอนก็พุทโธไปแล้วเข้าห้องน้ำ น้ำหนักไปคามหนักน้ํากับพุโทโธรไปค่ะพระอาจารย์แล้วพอเราพุโทโธรไปตลอดเนี่ยเขาจะติดของเขาเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ต่อไปมันก็มีกําลังของมันขึ้นมาเองแล้วกาลังของสติในเวลาที่สมุดโยมเห็นว่ากิเลสมันขึ้นมาเราเห็นแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าโอ้นี่เราสายไปแล้วนี่มันพุ้งไปถึงไหนตอไหนแล้วเมื่อวันหนึงที่สติตั้งค่ะพระอาจารย์ก็พอรู้มันก็จะหยุดมันได้ไงมันจะหยุดใช่ไหมคะ เขายอมตอาพอมันก็ติดมันก็จะไม่อยู่พอเราได้เขยมเริ่มรู้สึกค่ะพระอาจารย์คือยอมเริ่มรู้สึกว่าโยอมสามารถให้มันนิ่งได้นานขึ้นนิ่งได้นานขึ้นแต่ว่ามันก็ยังหลงอยู่ดีค่ะพระอาจารย์มันก็ยังฟุ้งมันก็ยังหลงแล้วมันก็ยังไม่ได้แต่มันก็แต่มันก็ดีขึ้นกว่าก่อนนะคะใช่สติตอนนี้มันยังลั่นลุกคุกคาดอยู่ไงมันยังไม่ต่อเนี่ยยังไม่เป็นสัมปะชัญญะ ถ้าเป็นสัมปะชัญ ญ, ญาแล้วนีสติมันจะไม่เผลอค่ะไอยะย้ยังยังยังนุมลุกครุกคานอยู่ก็พอเผอพอรู้สึกตัวเผลอก็กลับขึ้นมาพูดโทรใหม่ใช่ค่ะอาจารย์ยกก็ตั้งใจทํำไปเรื่อยแล้วบางทียงก็รู้สึกว่าแหมพลาดอีกแล้วเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะกําหนดลมหายใจอย่างจะกําหนดอาการสามสิบสองอะค่ะพระอาจารย์มันมไม่ถึงไหนเลยมันก็ฟุง้งฟุ้งแล้วมันก็ สติดึงกลับมาว่าโอ๊ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วแล้วก็ไปพิจารณาใหม่อย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ไปเรื่อยๆใช่โยมเด๋ยวก็ต้อกหันเด็กหัดยืนเน่ะพอเดินได้สองก้าวก็ล้มล้มเดี๋ยวเขาก็พยายามลุกขึ้นยืนใหม่นะทาไปเรื่อยๆต่อไปก็ยืนได้คค่ะสาพอล้มเราก็ตั้งใหม่พอท้องอาการที่สองไม่ได้ครึ่งทางหายไปแล้วก็ตั้งใหม่บางทีไม่ถึงสาไม่ถึงครึ่งทางค่ะอาจารย์ บางทีมันหายตั้งแต่อ่านแรกเลยก็ว่าจนถึงเนื่อหนันหายไปแล้วหายไปแล้วค่ะแล้ยังก็ปุ้งไปถึงว่าต้องเตรียมอาหารนะแล้วยัว่ากลับมาใหมอก็อย่างนี้แหะชีวิตของคาราวาสันมีเรื่องเยอะเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยเพราะเราต้องคิดถึงการทำงานทำการเลื่องปากเลื่องท้องมีคารุกพระอะไรพรนุมพลังไปหมดมันก็เลยคอยมาดึงเราไป ให้เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆดัง<า>นันตง้ต้องต้องหาเวลาว่างหยุดวันว่างแล้วเราปิดวิเวทไปอยู่ที่วัดองเดียวอะไรอย่างนี้ยไม่มีอะไรมารบกวนเดินใจเรานะ้วเพราะเร า, าจะรู้สึกว่าเราจะสามารถก ส, สติได้ดีขึ้นกว่าเก่ า, าพรนะอ<พ>าจารย์ยกก็อยากมากเลยค่ะอยากจะไปอยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเต็มๆเวลาเขแถวๆๆนั้นก็มีวัดสองวัดอาจารย์ได้เกิดอยู่เล็กซิงตันเวอร์จิเนียเปัดพระอาจารย์วัดอะไรอะคะพระอาจารย์ ท่านชื่อฟอ r รสต์ดัมม่าฟอเรสต์ด่าวัดป่านะนาชาติไหมคะพระอาจารย์เหมือนโยมเคยได้ยินอันนี้เป็นวัดของพระอาจารย์ดิกรกสินลงตามหาบัวเป็นพระประธานลงตามหาบัวอาจารย์ดิกสีละรัตโนแต่ลองเซิร์ชิวตาสีละรัตโนเดี๋ยวโยมไปถามครับเพราะว่าแถวแถวบ้านโยมห่างจากบ้านโยมประมาณ5านาทีที่มีกลใกล้เมืองเกซิตันเล็กซิงตันนะคะ อ่าักซิเนเวอร์เจเนีย <ขา S 1> ร์ค่ะพอาจารย์เดี๋ยวยองไปลองดูค่ะพอาจารย์การวัชการสาธารณรัขคะพอาจารย์โอเคเนะ่ท่านต่อไปคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจักรสุราชทธานีมีอะไรไหมอ่อมาเปิดไม้ก่อนอ่าว่ามาจาักรสุราชใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด หลังจากที่ได้โอวาจากพระอาจารย์ไปครับให้สวดมนต์อิติปิโสแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้เริ่มปฏิบัติครับก็ใจเห็นความสงบครั้งแรกในรอบปีอ๋อดีดีดครับาจากนั้นก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ครูบาอาจารย์มาช่วยก็เลยพิจารณาลงว่าเป็นกิเลสใจก็เข้าสงบไปอีกขั้นหนึ่งครับผมแล้วก็สมาธิก็ถอนออกม า, าพยายามทำไปเรื่อย สาคัญที่สตินะถ้ามีสติแล้วไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีใครสติเป็นที่พึ่งของเรานะอสติสําคัญที่สุดระพุทธเจ้าบอกนะโอเคมีอะไรไหมมีละครับเป็น okay. คุณกล้องรัดคุณกล้องรัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่คคคนครพนมครับอาจารย์อ๋อนครพนมที่มาใส่บาตรตอนเช้าใช่ไหมครับตอนนี้กลับบ้านหรื อ, อยังอยู่แถวนี้อยู่ กลับมาแล้วเลเสียงของคุณค่อยไปหน่อยนะช่วยหยิบเอาไมค์เข้าใกลป้ปากหน่อยแล้วก็ได้ยินเลยได้ยินไหมครับอาจารย์เบามากเราเอาไมโครโฟนที่คุณใช้อยู่ที่หูฟังเนี่ยเอาเอาพูดใกล้ใกล้ปากป็นแบบนี้ได้ยินไหมครับอา่าอันนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับมีอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหรือเปล่าเออไม่ไม่มีเป็นพิเศษครับอาจารย์เข้ามาฟังครับโอเค ไปขอผ่านไปท่านต่อไปนะะเมื่อสักครู่เห็นคุณคุณเคนเคนนะฮะคุณเคนเคนถครับผมเค น, เคนว่ามามีอะไรว่ามาครับอาจารย์ครับเอ่อผมปฏิบัติการเดินจงกรมเนี่ยเรามีสติคือวัตถุประสงค์ก็คือให้เรามีสติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับผม อยู่กับเท้าก็ได้เดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วมันบอกว่าให้เราเอ่อร่างกายเรามันเป็นเป็นทุกข์มันบอกอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์และให้เราปล่อยวางใช่ไหมถูกต้องแต่ตอนเดินโยงกรมตะลันสตินี้ไม่อยากให้คิดถึงแม้จะเป็นปัญญาก็อย่าพึ่งไปคิดอืให้มันอยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับเท้าไปดีกว่าครับอืมนั่งร็เหมือนกันใช่ไมครัอาจารย์คิดก็ได้บ้างนะ คิดแล้วมันจะทําให้คิดเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นต่อไม่ใช่ไหมอืออือครับอันนี้มันมันเผลอมาจริงครับอาจารย์เผลอมาจริงแต่ทีเนี้ยเรารู้ว่ามันมาอ๋อมันถึงเวลาแล้วก็ปกติเดินปกติอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์พยายามกลับมาที่คุณโทแล้วกลับมาที่นอนอ่าครับผมอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับนั่งก็เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์อ่านั่งก็เหมือนกันทำยืนเดินนั่งนอนช่วงแรกนี้ให้เจริญสติมันหลักก่อนครับให้นั่งสมาให้จิตรวมก่อน ถ้าจิตเราแนละ้วทั้งต่อไปจะพิจารณาตายรักได้พิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายว่าเป็นทุกข์หมดร่างกายเราก็เป็นทุกข์ร่างกายคนอื่นก็เป็นทุกข์ทุกทั้งนั้น<ม>ทุกก็เาะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นต้นครับแล้วเราจะอุเบกขากับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงครับอาจารย์นั่นน่ะสิพอรู้มันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไงวามางแค่นั้นใช่ไหมครับอาจารย์อใช่แล้วถ้ามันไม่ให้แก่ได้เราก็รับมันไปอย่าไปอยากไม่แก่เราก็จะไม่ทุกข์นั่นเอง ครับอาจารย์แล้วทีเนี้ยทําอันเนี้ยผมจะไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นกรณีครับตุกเสียงตุกตาเลยไดนหมดคือมีสติอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์แล้วพิจารณาปึ๊บแล้วปล่อยวางอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เห็นอะไรเป็นทุกข์ขอยไมยุ่งกับเขาอย่าไปมีเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาพออะไรมาเป็นของเราปุ๊บมันจะเป็นทุกข์ทันทีทํามันไม่เป็นของเรามันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับ แฟนของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์ใช่ไหมครับพอมาเป็นแฟนเราปั๊บเราทุกข์เลยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วอย่างนี้เรียกว่าปัญญาไหมครับอาจารย์ใช่ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ต้องเห็นว่ามันไม่เป็นของเราเราถึงมันจะถึงไม่ทุกข์ถ้าไปเห็นว่าเป็นของเรามันจะทําให้เราทุกข์แล้วถ้าเกิดว่าเราจะติดในสมาธินี้จะเป็นกิเลสไหมครับอาจารย์ถ้าติดทําแต่สมาธิอย่างเดียวมันก็มันเป็นกิเลสแต่มันไม่ได้เป็นกิเลสแบบ ความโกรธความหลงความโลภมันมันเพียงแต่ทำให้เราไม่ก้าวหน้าเราก็ได้แต่แค่ขั้นสมาธิทเท่านั้นเองครั บ, รบเราต้องไปขั้นต่อไปพอได้สมาธิแล้วเราก็ต้องไปขั้นปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เพราะมันกม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราครับอาจารย์ครับแ ล, และอีะอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสุขกับระหว่างความทุกข์เนี่ยเราจะวางจิตของเราให้อยู่ตรงกลางยังไงครับอาจารย์ อให้รู้เฉยๆสุขกับทุกข์เันไม่เที่ยงกันสุขก็ไม่เทียมทุกข์ก็ไม่เทียมเกิดแล้วก็ดับอนัตตาเราไปควบคุมเมืองค้ามันไม่ได้สุขแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ทุกข์จะล่ให้มันไปมันก็ไม่ไปเวลามันมายังก็ต้องเฉยๆอย่างเดียวนี่คือทางวิธีพานใช่ไหมครับอาจารย์อ่ใจเราก็จะได้ไม่ทุกข์นะไมนเป็น นี่คือทางคนที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้ครับจึงจะหลุพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงครับอาจารย์โอเคสบายใจครับพระอาจารย์โอเคนะยรับผนต่อไปคุณไอโฟนใส่เสื้อเหลืองเปิดเปิดเปิดไมโครโฟนอันนิ้วไมโครโฟนของคุณไอโฟนได้ยินไหมโอเคพูดได้อยู่ที่ไหนนำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ฉะเชิงเซาเจ้าค่ะ มีอะไรถามไหมเข้ามานำมรสการพระอาจารย์ค่ะเอออยากจะขอเรียนพระอาจารย์นะคะว่าตอนนี้ตื่นตื่นมาตีห้าแล้วก็มาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิก่อนไปทำงานแล้วค่ะประมาณสองอาทิตย์ติดต่อกันแล้วเจ้าค่ะปกติก็คือจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิตอนกลางคืนตอนนี้ก็พัฒนาทำตอนเช้าแล้วเจ้าค่ะ ตีต่อไปก็ทำกลางวันด้วยตรงไหนว่างก็อย่าไปอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปเล่นมือถือมานั่งสมาธิดีกว่าค่ะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเจ้าค่ะท่านต่อไปคุณเฟรมอยู่ที่ไหนกลาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะอมีอะไรถามไหมวันนี้จะ สอบถามว่าปกติคือสวดมนต์นะคะพระอาจารย์อยู่สักพักหนึ่งวันนั้นมีอาการตัวโยกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยหลังจากวันนั้นมาก็หลังจากสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิก็จะมีอาการตัวโยกตลอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยากถามว่าให้เวลาที่มีตัวโยกเนี่ยมีอาการตัวโยกเราควรจะกําหนดรู้ไหมว่า กันตอนนี้ตัวกำลัง โ, กโยกอยู่หรือว่าเราควรที่จะกำหนดไปที่บทสวดมนต์อย่างนี้เจ้าคะหรือว่าดูที่ลมหายใจดีเจ้าคะเวลาโยกแสดงว่าเราไม่มีสตินะต้งเรียนสติกลับมาต้องสวดให้รู้ว่าเรากำลังสวดอะไรไม่ใช่สวดแบบปากเ ป, ปล่าไปแต่ใจไม่ได้อยู่กับการสวดมันก็ทำให้โยกได้นีต้องกลับมาให้มันให้ใจอยู่กับบทคาสวดให้ได้ อิติปิโสให้มันช้าลงไปแล้อิติปิโสภาคว่าให้ช้าลงใช่ไหมครับมันจะได้มีสติอยู่อาการสวดเอามีสติดับขึ้นมามันก็จะหายโยอแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเวลาสวดมนต์นะเจ้าค่ะเราควรที่จะเพ่งที่ไหนดีนะคะที่หน้าพระพุทธรูปที่เราจ้องอยู่หรือว่าที่เป็นที่บทชสวดมนต์ดีเนะคะที่บทเสร็จที่บทชสวดมนต์ที่ทําสวดมนต์ ใ ห, ให้มันชัดถ้อยชัดคําทุกคําเลยให้มีสติรู้กับทุกคำเลยปิติปิโสภะกาวาอาลังสัมมายอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สติเมบ่อเรติปิโสได้นิดหนึ่งไปแล้วไปคิดถึงขน ม, มนมเลยคิดถึงคนนั่นคนนี้แล้วนแสดงว่าเริ่มเผลอสติแล้วดังั้นก็ต้องดึงให้มันกลับมาให้ใจอยู่กับบทที่กําลังสอนอยู่ เจ้าค่ะแล้วตัวจะไม่โยกเหมืนเราคุยกันตอนนี้ตัวโยกไหมไม่โยกเจ้าค่ะเพราะเรามีสติคุยกันใช่ไหมอ่ะค่ะเรให้เราให้มันเป็นแบบเนี้ยเวลาสวดมนต์เวลานั่งสมาธิก็ให้มันมีสติแบบเนี้เจ้าค่ะอย่าให้มันหายพอมันหายแล้วมันก็จะโยกได้อืก็คือมันพอมันไม่มีสติมันก็จะ โยกแรงๆอย่างนี้ใช่ไหมด้วยคะบางทีก็หลับบางทีก็สับประหงคอพับก็มีอ๋ออันนี้คือโยกโยกแรงมากเลยนะคะโยกเหมือนเหมือนปลุกผาเลยก็เลยตกใจว่าเป็นเพราะอะไรเพปกติไม่เคยเป็นนะคะถ้าเรารู้ปั๊บแล้วมันก็จะหายโยกเพราะรู้วมันจะโยกแล้วก็กลับมาที่บทสวดวนเดี๋ยวมันก็หยุดมันก็หยุดอ๋อจ้าค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวการภาวนาไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรน่ากลัวเจ้าค่ะ ลแล้วก็ทำลายจิตใจเราได้เจ้าค่ะขอ<ม>เรียนถามอีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะคือปกติอ่านแล้วก็ยังทําใจวางใจที่จะแบบพิจารณาสังขารไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ที่แบบว่าร่างกายเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราจะต้องวางใจยังไงให้ให้เข้าใจถึงจุดนี้นะคะคือเหมือนเข้าใจแต่ว่าจิตใจมันยังแบบว่ายังไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่เนี่ยเจ้าค่ะมันมันยังไม่ยอมรับมั้ง ดูสิครับดูตอนที่เราเป็นเด็กเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นไทยแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยชเรื่อยเราดูคนที่เขาเกิดก่อนเราดูดูแม่เราดูปู่ย่าตายายล้วเมื่อก่อนเขาก็เราเป็นเหมือนเราอยู่เวลาผ่านไปผ่านไปร่างกายเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปร<เ>่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้มองเห็เนอยาจะรู้ว่าความแก่เป็นยังไงก็มองคนที่เขาแก่เราดูเราไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น เห็นกุณแจกุญญาต่อไปแล้วก็เราเป็นคุณตากุญญาเหมือนเขาเจ้าค่ะถ้าใจไม่ยอมรับแสดงว่าใจยังไม่มีอุเบกขาเจ้าค่ะก็ต้องมาฝึกสมาธิให้มากๆก่อนทำใจให้สงบให้มีอุเบกขาแล้วมันถึงจะยอมรับความจรยยิงได้เจ้าค่ะนะโอเคถ้าต่อไปคุณพานุสวยสวุวรร์ สวยสวรรคก็สวยสวรรคคุณพานุไม่เห็นภาพเห็นแต่เห็นแต่เพดานมาแล้วมาแล้วคุณพานุมีอยู่ที่ไหนช่วยเปิดไมค์หน่อยโอเคคุณพานุเปิดไมค์ได้เลยครับกดอันมิวเลยฮะครับได้ยินไหมครับ ได้ยินแล้วอยู่ที่ไหนขอโอกาสขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับผมอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับถามไหมอคํอออาถามแต่ว่ายาวนิดนึงครับขอโอกาสเล่าเรื่องการภาวนาครับสรุกหน่นนอยได้ไหมเพราะว่าเอาเอาเอาตัวเอ า, ต, เอา ต, ตัวที่เป็นประเด็นคือผมผมเคยพิยจารณาเนี่ยที่กายตั้งแต่รักสิบกว่าปีที่แล้วอะนะครับสมัยนั้นก็ไปภาวนาอยู่ที่บ้านตากนี่แหละแล้วก็ พิจารณาจนกายมันสลายลงไปเนี่ยมันก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราก็กาหนดขึ้นมาใหม่กำหนดแขนตัดแขนลงมาวางจิตมันก็บอกขึนมาเลยว่าขอขัดจังหวะนะตรงนี้ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วไม่ควรที่จะดึงมันขึ้นมาพิจารณาคนจะพักให้มันเหมือนกับมันต่อเนื่องเข้าไปครับมันสลับไปสลับมาอยู่ะครับพอเราพิจารณาตรงไหนที่มันมันสูงใจปุ๊บมันก็จะสลับเป็นสมาธิเสร็จแล้วเราก็จับ แต่พิจารณาจากคิดจากนึกปรุงขึ้นมาเนี่ยแหละครับทีนี้พอมันสมาธิมันลงถ้ามันคิดนึกเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําได้เราควรจะหยุดคิดมากกว่าการนั่งสมาธินี้เราต้องการให้จิตเป็นอุเบกขาทีนี้พอมันชักแขนมันวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็เห็นว่าแขนเนี่ยมันก็เหมือนหางยิ่งจกครับขาดไปแล้วมันก็เป็นอะไรอันนึงแล้วมันไม่ใช่เราแล้วพอปุ๊บทุกอย่างมันก็ดับลงข้างรอบๆมันก็ดับพร้อมกันกับความคิดที่ว่า ตัวเรามันก็ไม่ใช่แขนนั่นนี้มันก็ไม่ใช่เรามันดับลงพร้อมกันเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปรวมทั้งในจิตตอนนั้นครั้งหนึ่งพิจารณาไกรนะครับเสร็จแล้วถัดมาในผมพิจารณาไกรยังไงมันก็ไม่ยอมลงเดิมมันไปจับเอาที่จิตได้อถัดไปอีกตั้งหลายปีครับมาภาวนาแล้วก็เอเป็นสมาธิทีนี้พอเป็นสมาธิเนี่ยมันปวดที่ก้นก็ผมก็ดูความปวดจิตมันออกไปรับไอความรู้สึกปวดที่ก้นเนี่ย มันก็เห็นสภาพจิตที่มันออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนงูเลยเอาไปเลยครับเห็นตัวรูปของของนามเนี่ยมันชัดมากสติทันมันก็ดับทีนี้พอนั่งจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยความคิดแค่ออกมามันเหมือนมันเลื้อยออกมาจากจิตเนี่ยสติมันก็ตัดมันก็ไวขึ้นยิ่งแค่นึกปุ๊บมันก็ตัดนึกปุ๊บมันก็ตัดเองผมก็จ่ออยู่อย่างนั้นจ่ออยู่จนทีนี้มันบันดาลออกมาเนี่ยสมาธิมันเข้ามาแน่นมันไม่ตัดแล้วครับมันเห็น เห็นความคิดเนี่ยเหมือนตาน้ําที่มันผุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วมันก็ละลายลงไปที่เดิมจิตมันก็ดูอยู่อย่างนั้นนะครับพอมันละลายลงไปเนี่ยมันเป็นความว่างชั้นหนึ่งแล้วมันก็มีว่างเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอีกมันทะลุเข้าไปว่างอีกชั้นนึงผมก็นั่งดูดูเสร็จมันก็เป็นสมาธิอยู่พอมันถอนออกมานิดนึงมันก็เห็นว่าจิตเราเนี่ยมันเหมือนเกาะอยู่กลางน้ําแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันผ่านข้างๆแต่มันก็ไม่ติดกันมันก็โอ้ของทุกเนี่ย ธรรมชาติมันไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วไอ้ที่ว่าจิตจิตกับอารมณ์เราไปคุกมันมันถึงมันถึงทุกข์ขึ้นมาคราวนี้มันกลายเป็นว่าพิจารณาจิตจิตแล้วมันลงครับทีนี้พอมาถัดมาอีกก็พิจารณายงไงก็มันก็ยังไปไม่ถูกอยู่จนเมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็หันมาลองมันจับที่เวทนาได้ครับครูอาจารย์มันเห็นชัดขึ้นจิตจิตมีสมาธิมันก็แยกเวทนาอยู่ต่างอันต่างอยู่ แต่มันก็ยังไม่ลงกันผมก็ดูอบางครั้งเราพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับเวทนามันก็มีชีวิตของมันเองมันเกิดเกิดของมันไปวิญญาณที่มันเกิดความรับรู้อื่นอ่ะมันก็มีของมันไปและทําไมเราถึงคิดว่าเราจะต้องบงการมันได้มันก็สงบกับพิจารณาพิจารณาได้มันก็สงบทีแต่มันก็ยังไม่ลงกันตอนนี้เหมือนกับว่ามันยังสู้อยู่กับไอตัวเวทนาเนี่ยครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีสมาธิเลยมันก็ก็ถอยครับ ไปได้ไปได้นิดหน่อยก็ก็ยันกันได้นิดหน่อยก็ก็ลงก็ก็เลิกแล้วเพราะว่าสู้มันไม่ไหวแต่ถ้ามีสมาธิพอเนี่ยบางครั้งมันจับที่เวทนาเนี่ยมันก็เห็นว่าเวทนานก็มีเวทนานอกก็มีเวทนาที่มันเกิดเนี่ยมันก็เหมือนอารมณ์อันหนึ่งที่มันไปของมันเองครับไอความคิดที่เราจะคิดไปเปลี่ยนมันความคิดที่เราใจอะไรมันก็เปลี่ยนของมันอีกอันนึง ไอตัวที่เราที่รู้ที่มองอยู่เนี่ยเราจะไปเอาเข้ามาเป็นเราได้ยังไงมันพิจารณาอยู่นะครับคุาจย์ตอนนี้นะครับก็ยังไปไปไม่ถูกครับแต่ยังทาอยู่แค่ตรงนี้ครับโอการครับดูให้เห็นว่าเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตเหมือนมันจะพยายามจะดูอยู่แต่ว่าบางทีพอเราตั้งใจจะไปคิดไปบังคับมันมันก็หลุดทันทีครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาในขณะที่พอมันจิตมันมันเป็นกลางๆของมันดีอยู่นะครับมันก็เห็นอยู่ว่า เหมือนเวทนาเขาก็เป็นอันหนึ่งที่มันมีเหตุของมันมันก็เดินทางมันแยกกันอยู่ทำนะทำงานของมันไปอย่างหนึ่งอะครับคุณอาจารย์ใช่แลปล่อยวางไงปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันเราต้องดูไปจนสุดมันเลยไหมครับก็ปล่อยมันเฉยๆมันจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ดึงจิตของเราใครับไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ปล่อยมันแต่ผมรู้สึกเหมือนผมเหมือนจับจดมากเลยครับจากเริ่มเนี้ยมันไปจับที่กายทบไปมามัน มันจับที่อารมณ์ประมาประมาณคราวนี้ทําไปทำมามันมาจับที่เวทนาอีกก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าครับครูอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรในตอนนั้นถ้าเราต้องการสมาธิเราก็ต้องมีอะไรจับมีอะไรยึดเช่นพุโทโธนิมนลมหายใจเข้าออกมันถึงจะเป็นสมาธิได้ถ้าต้องการเป็นปัญญาก็ต้องจับไจรักอันนี้จางทุกขังอนัตตา กับสิ่งที่เรากําลังไปจับอยู่ไปจับกายก็ต้องบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาจับเวทนาก็ต้องว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาครับเราจะได้ปล่อยวางได้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ที่ผมกับผมได้เคยกับเรียนครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งไหลน้ําเลยมันเราเดินกับพื้นดินก่อน อย่าพึ่งขึ้นไปอยู่บนฟ้าผมไม่เข้าใจที่ครูอาจารย์ท่านก็เคยถอนอยู่นะครับว่าว่าเหมือนกับเราไปจับไก่ของที่มันนามเนี่ยมันจับยากอยู่แต่บางทีจิตมันก็เคยมันมันจับติดอะไรผมก็เอาตรงนั้นนะครับเพราะนั้นแหละถ้ามันอะไรมาเราก็ต้องพิจารณาตัวนั้นว่าเป็นไตายรักเพื่อปล่อยวางมันครับแล้วขาดตายรักแล้ไม่พิจารณาตายรักแล้วต้องมองว<ม>่ามันเป็นเหมือนดึงน้ำลมไฟมไปนะ มัอนอากาศเหมือนเหมือนลมพัดเหมือนน้าไหลอย่งเงี้ยไปควบคุมมันไม่ได้ปล่อยให้มันไหลไปปล่อยให้ลมพัดไปปล่อยให้น้ําไหลไปปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของมันครับผมขยายแล้วนะครับโอเคท่านต่ับปขอบพระคุณครับคุณสมชายทิพมณฑ์เทียนออ่า ผอบ่าวลมส ก, การพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับผมสมชายที่บันเทียนอยู่ที่กรุงเทพครับอมีอะไรจะถามไหมเออก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าคือตอนตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยผมว่ใช้ลมลมหายใจไงดูลมหายใจเนี่ยครับทีนี้ทีนี้ไอตรงเนี้ยก็ก็คือสมสถะใช่ไหมครับใช่ทีนี้ทีนี้พอพอจะดูตรงเนี้ยแล้วเวลาไหนครับที่เราต้องต้องวิปัสสนา อ๋อวเวลาอื่นเวลาอื่นคนละเรื่องกันสมาธิเหมือนกําลังพักผ่อนหลับนอนกินข้าววิปัสสนาเหมือนไปออกไปทํางานต้องทําคนละคนละเวลากันเวลาฝึกสมาธินี่ต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันทําอะไรทั้งนั้นพอเลิกจากทาสมาธิได้ไี่เข้าไปทําทางปัญญาต่ออีกทีพอออกจากสมาธิมาแล้วก็ค่อยมาคิดทางปัญญาต่อม่าวิจารณาไตรลักษ จะน่าว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราทำคนลเวลามันอย่าไปทำพร้อมกันอย่าไปทําในขณะที่ทําสมาธิเพราะมันจะไปรบกวนความสงบแล้วเวลาทําสมาธิเราต้องการความสงบต้องการความนิ่งของจิตเนี่อย่าไปคิดตอนที่ทําสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยคิดทางปัญญาต่อไป คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาท่านนั้นคิดอย่างตอนเนี้คิดได้ตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิคิดได้ตลอดเวลาทั้งปัญญาครับเข้าใจนะอ๋อคือคือเราเราเราเรานั่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องสลับไปคิดเลยนั่งนั่ ง, ง, งมาม ใ, <น S 2> ใจอย่างเดยวนสมาธินี่ให้ยุดคิดให้หยุดคิดนานๆชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปเลย มันพักแล้วเวลาเ อ, อาใจาสมาธิมาแล้วเ อ, อาใจสมาธิมาแล้วก็ ค, คิดทางปัญญาได้อันนี้จัาทุกขังกัน้าตานะอ๋อคือคิดทางปัญญานี่ไม่ว่าอารมณ์อารมณ์ อ, มอะไรเข้ามาเราก็ก็มองมอ ง, องอเป็นอะไรที่เราไ ป, ปทุกข์กับอะไรอะไรที่เราไปยึดเป็นจิตกัปชะนะแล้วปล่อยวางมัน เงินทองก็คิดได้บองที่ถึงเงินทองแล้วทาไม่เราเครียดก็ว่ามันก็เป็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตา <Okay. S 1> มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้เราสั่งบางทับมันให้อยู่กับเราไม่ได้ตลอดเวลาเวลามันจะไปมันก็ไปถึงเวลามันจะหมดมันก็หมด <Okay. S 1> อย่าไปยึดจับเงินทองอย่าไปใช้เงินทองได้ดีที่สุดไม่ต้องมีเงินทองดีกว่ามีแล้วทุกข์ใช่ไหมครับอ okay. น, นเราใช้เงินทองมาบวชมาบวชนี่ยเป็นพระไม่ต้องใช้เงินทอง <laughs> <laughs> แต่ช<ต>ีวิตเรา<ม>จงใช้อยู่ออืคนที่เป็นเศรษฐีมาบวชเขาไปเขากลับไปเห็นว่ามีเงินทองแล้วทุกข์ <c oughs> เขาจะพรบพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นพระราชามหาก ษ, ษัตริย์เห็นว่ามีเงินทองแล้วทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนไม่รู้ว่าวันนี้คืนนีมันจะหมดไปเมื่อไหร่ ก็เลยไม่ปไมเปเพิ่งเงินทองดีกว่ามาบวชดีกว่าพอบวชก็ไม่ต้องใช้เงินทองแล้วสบายใจเรียนปัญญาให้เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ปล่อยวางมีแฟนก็ทุกห่วงแฟนหวงแฟนน่กังวลกับเรื่องของแฟนเนี่ยทุกแล้ ว, ว, วถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมีมันก็ไม่มีกังวลไม่มีห่วง การพจารณาอย่างนี้ยให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ดูเหมือนทุกอย่างกําหนดไปได้สิ่นนี้ไม่มีหมดเลยนะจ๊ะใช่ไหมครับทุกอย่างมีแล้วไม่มีมีแล้วไม่มีหมดเลยใช่มีแล้วเดี๋ยวเวลามันไม่มีแล้วเป็นยังไงเวลามีมันก็ดีอะเวลามีก็สุขแล้วเวลามันไม่มีมันก็ทุกข์ความทุกข์ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเวลาล้มละลายไม่มีมันไม่มีหน้ามีตาแล้วก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะฆ่าตัวตาย ทุกไม่ทุกตลอดกันนะให้คิดอย่างนั้นครับผมครับนื้ทางปัญญาคิดได้ตลอดเวลาเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่ไม่อยู่ในสมาธิเนี่ยห้ามคิดครับนะพอใจแล้วนะครับครับกรับกับคุณพระอาจารย์ครับท่านต่อไปคุณไอแพดแก้วใช่ไหมครับคุณไอแพดครับเปิดไมค์ก่อนสีแดงกดดงกดกดเปิดไมค์กดอันมิ้เลยครับ ใช่ค่ะผ้าจ า, า น, า น, นรับน<ง>มนัาานสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือ<ง>คือแก้วอยากเรียนถามว่าแก้วพยายามที่จะปฏิบัติธรรมมาค่ะคือพยายามที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ท่องพุทโธอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาแก้ว ท, ทําทีไรอ่ะมันจะแบบซึมเศร้าอ่ะค่ะเหมือนกับว่าเออแบบทรมาหากินไปมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ต้องตายแบบ มันไม่มีความฝันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะซึมลงซึมลงเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอะค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธไงเรานั่งนั่งไปแล้วก็นั่งคิดมันต้องพุโทโธอย่าให้มันมีความคิดแทรกเข้ามาสิค่ะอ่าถ้ามันพอไปคิดมันก็เศร้าเลยแต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุทโธมันก็จะหายเศรา้าเจ้าค่ ะ, ะแสดงว่าเวลานั่งสมาธิเราไม่ได้ใช้พุโทโธอาจจะเริ่มต้นพุโทโธสองคำแล้วก็เริ่มคิดละ คิดถึงเจ้ถึงปหาต่างๆมันก็เลยเศร้าเลตอนอยู่กับพุทโธอย่างเดียวสีมันไม่เศร้าหรอกพุทโธเป็นเหมือนอย่างลบกับกระดานดําเนี่ยความคิดของเราเปนเหมือนข้อคิดไอตัวอักษรที่เราเขียนอยู่บนกระดานดํามันก็นวเนียนบนกระดานไปหมดพอเราใช้พุทโธมันลบมันออกไปอยู่ใจแล้วก็ว่าเหมือนกระดานดํำดูเวลากระดานดําก็มีไม่มีใครเขียนแล้วดูมันสะอาดตามสบาดใจนะะ เจ้าค่ะพอมีใครเขียนอะไรเต็มเป็นเป็นกระดานแล้วดูแล้วปวดหัวอเจ้าค่ะออมันคิดแล้วก็อย่างนี้ย okay. ิ่งคิดยิ่งปวดหัวใหญ่ยิ่งคิดยิ่งเศร้าเจ้าค่ะมันต้องหยุดคิดนั่งสมาธิอย่าคิดให้อยู่กับพุทโธจริงๆไม่ใช่เล่นๆผมคงที่ว่าพุทโธสองคำแล้วก็นั่งคิดต่อไม่ได้นี่ไม่ใช่นั่งสมาธินั่งเจ้าค่ะอืนั่งสมาธิต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนะเจค่ะเจ้าค่ะ แม่เป็นยังไงสบายดีหรืออ๋อสบายดีเจ้าค่ะอยากกราบเรียนถามคือคุณแม่อยากไปกราบพระอาจารย์มากแต่ว่ายังกลัวโควิดอยู่ก็เลยเพราะว่าเวลาเวลาขับรถไปทุกคนจะต้องเข้าห้องน้ํากันคนละสองรอบก็ตอนนี้คุณแม่ก็เลยฝากคุณติ๋มทํากับข้าวถวายพระอาจารย์อาทิละสองวันขอบพระอาจารย์แทนเมตตาให้ด้วยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ พวมเมื่อไหร่ค่อยมานะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอุณนมัสการ์ใครเจออะไรใครพูดก็พูดค่ะมีคำถามจากทางเฟซบุ o กสี่คำถามเจ้าค่ะเจอน้ำได้เลยคำถามแรกจากคุณพินยูเจ้าค่ะไม่นั่งสมาธิแต่ทำความรู้สึกตัวตลอดเวลาไปนิพพานได้ไหมครับไม่ได้หรอ ต้องมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาการทําความรู้สึกตัวนี้แล้วกว่าเป็นการเจริญสติเนี่ยต้องพอมีสติแล้วต้องนั่งทําใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นอุบเบกขาแล้วพอได้สมาธิได้อุบเบกขาแล้วค่อยมาเจริญปัญญาพิจารณาตายรัางพิจารณาอริยสัจสี่ถึงจะไปนิพพานได้เพื่อตัดความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาแล ะ, ะวิภาวะตัณหา ยังมีงานยางเยอะๆการกำหนดรู้ความรู้สึกตัวนี้เป็นเพียงสติเท่านั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปคำถามที่สองไปคือจากคุณโพลิโปกพากราบนะกราบพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วจิตมันคิดไปอีกอย่างหนึง่งพอดึงกลับมาพุทโธก็สงบได้แป๊บหนึง่งแล้วก็คิดอีกผมควรจะทำอย่างไรครับ อย่าหยุดพูดโทเลยพูดโทไปเรื่อยๆพูดโทพุดโทพูดโทพูดโทพูดโทไปพอหยุดพูดโทมันก็ไปคิดอีกต้องพูดโทจนกว่าจิตมันจะรวมมันจะเด่งลงสู่ตกหลุมตกบ่อแล้วที่นั่นมันจะนิ่งแล้วที่นี่มันจะไม่คิดแล้วตอนนั้นเราถึงจะหยุดพูดโทได้ถ้ามันยังไม่เด่งยังไม่ตกหลุมตกบ่อเนี่ยมันพอหยุดพุทธโทปะมันก็กลับไปคิดต่อข้อต่อไป ่อแล้วาคําถามตอบไปจากคุณเป็ น, นักดาค่ะปรานุมยสปานพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์อธิบายคําว่าดวงตาเห็นพรรมเจ้าค่ะความหมายคืออะไรเจ้าค่ะค ก, ก, ก็เห็นอริยสัตว์สี่เห็นไตรลักษณ์เช่นเห็นร่างกายเราว่าเป็นไตรลักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราออื เป็นทุกข์เพราะว่าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันเนที่ยงอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นอย่างนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้เพราะจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ก็เรยยอมรับมันพอยอมรับมันได้มันก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคาถามต่อไปต่อไปจากคุณพิลิสค่ะ ถ้ามีความรักเกิดขึ้นเราไม่ต้องการจะทุกกับเรื่องนี้เราพยายามพิจารณาลงที่กายเราจิตเราก็เฉยเฉยแต่พอเราเอาเรื่องความพลดพลาดเข้ามาตัดจิตเรามีความสะดุ้งสะเทือนบ้างพอจะมาถูกทางไหมครับคือเราต้องพิจารณาการพัดพลาดอยู่อยู่กับสิ่งที่เราอยากได้ อยากจะได้รถก็ต้องที่ว่าวันดีเกินดีรถอาจจะหายก็ได้รถอาจจะพังก็ได้ความคิดถึงการพัดภาคมันก็อาจจะทําให้ไม่อยากได้ไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เลยก็ต้องมีการพัดาดภาคจากการเป็นธรรมดา ใ, ใจไม่อยาจะได้ไม่อยากจะได้อะไรอยู่แบบตัวเปล่าๆดีกว่าเพราะเรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆยิ่งได้มากเวลาไปก็ต้องเสียดายมากเสียใจมาก มีร้อยล้านเวลาตายก็ต้องเสียร้อยล้านนะถ้ามีบาทเดียวเวลาตายก็เสียบาทเดียวนั่นอยากจะตายแพงก็ตายถูกะตายถูกก็มีน้อยๆถ้าอยากจะตายแพงก็มีมากๆหมดแล้วย <c oughs> ังคําถามคุณลหรอหมดแล้วเจ้าค่ะเมื่อนี้จะไปที่คุณพระุดาคุณพระรุดาอยากจะถามอะไรไหม อยู่ที่สติาาหยุดใช่ไหม อ, อยู่ที่สติหยุใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะเชิญเมีออยาถามอ๋ อ, อคือนั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกเหมือนมีมีแม่เหล็กอยู่ตรงกลางหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งไปสักพักก็เหมือนตัวหายไปหนูก็เลยอ ย, อยู่ที่ ด, ด, ด, ดูลมเนี่ยดูพุทโธดูลมตอนตอนแรกพุโทโธก่อนค่ะตอนแรกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยเรืยแล้วแล้มีเหมือนทีนี้เหมือนกลางหน้าอกมันเหมือนแม่เหล็กแต่ว่ามันไม่ได้แน่นแต่มันเหมือนมันไม่ได้แน่นหน้าอกะค่ะแต่ว่ามันมันรู้สึกเยอะๆตรงหน้าอกแล้วพอซักพักก็พุโทโธมันก็หายทีนี้ตัวก็หายแต่ว่าเหมือนตัวหายไปแต่ว่ายังเหลือลมหายใจอยู่ก็เลยอยู่กับลมหายใจต่อ ก็เลยหนูอยากจะกลับถามพระอาจารย์ว่าถูกหรือเปล่าค่ะคือถ้าเราอยู่กับลมเราอยู่กับพุทโธก็ถูกค่ะเราก็เลยอยู่กับลมไปเรื่อยๆมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจค่ะนับรู้เราก็ปล่อยวางกลับมาอยู่ที่แต่แต่ตอนแรกก็เลยตกใจนิดหน่อยอกลับมาที่พุทโธต่อจจิตเรายังไม่รวมจิตเรายังไม่สงบต้องพุทโธต่อไปดูลมต่อไปจนกว่ามันจะเด่งจะรวม เข้าสู่สมาธิเจ้าค่ะถ้าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามันก็จะหลงทางมันก็จะไปไม่ถึงป่าค่ยแล้วก็อยู่กับลมหายใจต่อไปไม่ไม่อะไรปรากฏขึ้นมาพรอมรู้ปั๊บแล้วก็กลับมาที่ลม ท, ทันทีค่ะออกนะกลับมาให้เร็วอให้เร็วอย่าไปตามอย่าไปคิดคเป็อะไรเป็นโน่นเป็นนี่นเจ้าค่ะโอเคกลัข ค, ค่ะพระคุณเจ้าค่ะ โอเคเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยี่สบห้านาทีแล้วรู้สึกค่อนข้างจะเหนื่อยคิดว่าจะให้อีก5านาทีก็แล้วกันนะสำหรับญาติโยมวันนี้ถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ยังถามได้มีเวลาประมาณ5านาทีด้วยกันอคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยกมือว่าไงมีอะไรหรือเป็นข้อสงสัยนะครับที่มีมานานครับเอ่อคำว่า ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตสว่าง <c oughs> จิตสว่างสวยนะครับผมเคยทำไปขั้นหนึ่งมันจิตสว่างสวัยมันสว่างสวัยด้วยปัญญาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีแสงไม่มีเสียงเหมือนเหมือนแบบความรู้เราแบบว่ามันเป็นปัญญาครับไม่ได้เป็นรูปเสียงสีกลิ่นรสอะไรนี้ใช่ไหมครับเออวันแล้วแต่คำว่าปัญญามันก็เป็นเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อก็ได้ เห็นมองเห็นตับไตายไส่พุงตอนนั้นญญตอนนั้นฟังเทศของของท่านอาจารย์ปัญญาครับงานศพท่านอาจารย์ปัญญาที่หลวงตามหาบัวเทศอะครับท่านพูดเรื่องพิจารณาอสุภะครับแล้วก็มันจิตมันก็เลยสว่างออกมาแต่ว่ามันไม่ได้มีสีครับมันมันเหมือนปัญญาเราสว่างแบบไปคือชําระได้แป๊บหนึ่งอะครับไม่ได้ชาระออกทั้งหมดอะครับเพราะว่าสว่างนี้หลายถึงอะไร ห, หมายถึงกระจาด ใ, ใช่ไหครับใช่ไหมครับ แจ้งรู้แจ้งเห็นกลิ่ขึ้นมาครับผมแต่บางทีมันก็เป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนแสงไฟก็มีครับอาจารย์บอันนั้นเคยเคยมีแสงสว่างสี่ดวงเลยครับเนี่ยมันมีแสงมันสว่างแบบแบบสมาธิกับสว่างแบบปัญญาในคนลยอ๋อครับผมครับครับครับหมอคำถามครับโอเคนะครับงานมาสการครับคุณบุญชัยเพิ่มเข้ามานี่คุณรับวิ่กุ้ง กำลังต่ออยู่เหลือีอก5นาทีใครอยากจะถามอะไรคุณรวินมีอะไรจะถามไหมระวินรู้สึกว่ายังเข้ามาไม่ถึงยังต่ออยู่มีภาพแต่ไม่มีเสียงคุณราวินเปิดเสียงได้เลยครับาอาออไปที อ่าเหลประมาณสองนาทีกับสิบห้าวินาทีระ ไ, ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่าคุณดุญชัยคุณเข้ามาคูดได้ยังก็ ค, คิดว่าพอสมคนใก้เวลานะคุณบอยนะรู้สว่าค่อนข้างจะหมดแรงหมดเสียงก็ดีอาจจะต้องหยุดแล้วไปเติมน้ำเติน อ, อะไรบ้างก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ไฟังไปพินิพิจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่ ง, งขึ้นไปเทอสาธุครับ